บทที่10ประสบการณ์ทางศาสนาในโลกทิพย์นักศึกษาในวิชาศาสนาเปรียบเทียบมักจะต้องได้รับความประหลาดใจไม่น้อยในเมื่อได้รับทราบความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าในสมัยโบราณเด็กดำบันซึ่งมีความเชื่อในทางศาสนาอย่างเดียวนั้นต่อมาได้เกิดการแตกแยกแขนงออกมากมายหลายกลุ่มหลายสาขาเหลือเกินแต่แม้ว่าในส่วนรายละเอียด จะมีความแตกต่างกันอย่างมากมายเพียงใดก็ตามก็ยังมีความเชื่ออันเป็นหลักมูลฐานที่เหมือนกันอันพอจะให้เห็นเป็นแก่นแห่งความเชื่ออยู่ได้เสมอไม่ว่าจะเป็นลทัทธิเชื่อถือโชคลางพูดผีปีศาจของคนป่าเถื่อนดึกดําบันหรือความเชื่อที่สมมติเรียกกันว่าสูงส่งของคนที่มีวัฒนธรรมและอารยธรรมแล้วก็ตามแนวความคิดที่เป็นแกนกลางเช่นนั้นมีอยู่บางประการที่พอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้คือ หมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือสากลจักรวาลอันเต็มไปด้วยปรากฏการณ์หรือความเปลี่ย น, ปยนแปลงนาน า, นานาประการที่เราเห็นหรือทราบกันอยู่ทุกวันนี้และมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนี้เป็นเหตุหรือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสากลจักรวาลคือเป็นเหตุเบื้องต้นที่จะสาวหาเหตุถอยหลังต่อไปอีกไม่ได้แล้ว2วิญญาณของคนยังคงอยู่ หลังจากที่ร่างกายแตกดับไปแล้วส่วนจะคงอยู่อย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องที่มีการอธิบายแตกต่างกันไปตามหลักการของแต่ละฝ่าย3อนาคตของวิญญาณหลังจากการแตกดับแห่งกายแล้วจะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับที่วิญญาณ น, นั้นๆมีพื้นเพออัตยาัยและมีการกระทําอย่างไรในระหว่างที่ดาเนิมมนชีวิตอยู่ในโลกนี้ เป็นความจริงทีเดียวที่หลักการทั้งสาอันเป็นหลักมูลฐานของความเชื่อทางศาสนาทั่วไปเหล่านี้ได้รับการวิวัฒนาการคือมีการอธิบายความหมายที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นโดยลําดับและก็ต้องกินเวลาไม่น้อยกว่าที่จะเข้าใจในหลักการทั้งสามข้างต้นนั้นจะได้รับการอธิบายอย่างชาัดเจนโดยบุคคลผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งดังต่อไปนี้มีความจริงขั้นสูงสุด3ประการ ซึ่งจะแฝงตัวอยู่ในความเชื่อถือทางศาสนาทั้งหลายเสมอเป็นแต่ว่าในบางครั้งความจริงดังกล่าวแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการอธิบายโดยแจมแจ้งหรือถูกต้องเท่านั้นหลักความจริง3ประการที่แฝงตัวอยู่นั้นคือ 1. วิญญาณของคนเป็นสภาวะอมตะคือไม่รู้จักตายและวิญญาณมีโอกาสที่จะต้องเจริญหรือพัฒนาให้ปราณีต หรือบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกไกลมากจงกล่าวได้ ว, ว่าไม่มีที่สิ้นสุด 2. สภาวะที่ให้ชีวิตแก่เรานั้นอยู่ภายในเรานี่เองและเป็นสภาวะที่เป็นอิสระคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยสภาวะนี้เป็นสภาวะที่ไม่รู้จักตายและให้คุณอยู่เสมอเป็นสภาวะที่เราเห็นหรือได้ยินหรือรู้สึกไม่ได้เลย แต่ก็อาจจะเข้าถึงได้ถ้าเราต้องการจะเข้าถึงจริงๆ 3. าแต่ละคนเป็นผู้ออกกฎหมายไว้สำหรับตนเองคือทุกคนเป็นผู้สร้างสรรความทุกข์ความสุขความเจริญและความเสื่อมให้แก่ตนเองเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเองคือหมายความว่าเป็นผู้ให้รางวัลและลงโทษตนเอง หลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นสัจธรรมที่ตรงไปตรงมาไม่สลับซับซ้อนแต่ก็เป็นหลักการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นเรื่องที่ผู้สนใจควรจะทราบไว้อย่างยิ่งแนวความคิดดังกล่าวมาแล้วก็ดีตลอดจนถึงแนวความคิดอื่นๆอันแตกแยกออกไปจากแนวความคิดเหล่านี้ก็ดีล้วนเป็นผลของการเข้าถึงความจริงโดยทางวิญญาณภายในเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างดังกล่าวแล้วนั้นบ้าง เกี่ยวกับวิญญาณอมตะบ้างและเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมบ้างส่วนการที่ศาสนาต่างๆมีแนวความคิดแตกต่างกันไปนั้นก็เป็นเพราะผู้สอนและผู้ประพฤติปฏิบัติตามศาสนาต่างๆนั้นได้เข้าถึงความจริงเหล่านั้นในระดับต่างๆกันนั่นเองผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อคาสอนในทางศาสนาบางคนกล่าวว่าลทัทธิประเพณีและคาสอนในทางศาสนา ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเองทั้งสิน้นคำกล่าวนี้แม้จะมีจริงอยู่บ้างแต่ก็เป็นความจริงเพียงเครื่องเดียวคือคำสอนหรือประเพณีการปฏิบัติต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น <c oughs> ก็เป็นผลของการที่มนุษย์ได้เข้าถึงแก่นของสจธรรมหรือความจริงอันสูงสุดด้วยญาณภายในของมนุษย์นั่นเองการแสดงออกมาเป็นคำพูดนั้นในบางครั้งอาจมีความไม่ถูกต้องหรือเที่ยงตรงสมบูรณ์ แต่ความรู้ที่ว่าสัจธรรมดังกล่าวนั้นมีอยู่ย่อมเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่เข้าถึงสัจธรรมเช่นนั้นยังไม่ลืมเลือนในบางยุคบางสมัยมนุษย์ได้บูชาวัตถุต่างๆในโลกนี้คือหลังจากที่ได้ก่อสร้างสิ่งใดขึ้นมาแล้วก็บูชาวัตถุที่ตนเองสร้างขึ้นมานั่นเองทั้งนี้เพราะสติปัญญาอันจากัดของตนจึงทาให้หลงผิดไปบ้างแต่เมื่อว่าตามความจริงในดวงจิตแล้ว บุคคลเหล่านั้นกำลังบูชาวัตถุสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นท่อนไม้ก้อนหินรูปสลักหรือเทพเจ้ากูมีรูปร่างเป็นอย่างเดียวกันกับมนุษย์ก็ตามเขาก็จะเพ่งจิตไปถึงบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นอำนาจบรรดาใจหรือเป็นต้นเขาแห่งศาสนาซึ่งสถิตยอยู่ในดวงจิตของเขาเองโดยไม่รู้สึกตัวในเรื่องนี้มีข้อความในคำพีพระเวทของฮินดูกล่าวไว้ว่าท่านผู้ยิ่งใหญ่หรือพระผู้เป็นเจ้า หรือสภาวะอันสูงสุดก็ยอมรับการบูชาเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการบูชาที่มุ่งถึงท่านโดยส่วนลึกของหัวใจเหมือนกันหมดมีคำกล่าวอันน่าฟังของท่านโยคีผู้ทรงปัญญาในอดีตยอยู่ประโยคหนึ่งว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเท่านั้นแม้ว่ามนุษย์จะเรียกชื่อกันไปต่างๆก็ตาม ศา ส, สนาในระดับต่างๆมีประโยชน์สำหรับบุคคลในระดับต่างๆดังนั้นมนุษย์แต่ละคนจึงสร้างศาสนาไว้สำหรับตนเองศา ส, สนาที่ว่านี้คือคำสอนและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับลักษณะนิสัยและความพระณีดแห่งจิตใจของตนเองในขณะนั้นๆและเมื่อสร้างแล้วก็ยึดถือติดอยู่กับคาสอนและข้อปฏิบัติเช่นนั้น จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรที่จิตของเขาได้พัฒนาไปจนเลยระดับนั้นและได้เข้าถึงระดับแห่งความจเจริญอีกอันดับหนึ่งในตอนนั้นเขาก็จะเริ่มรู้สึกตัวว่าต้องการจะเพิกถอนความเชื่อและวิธีปฏิบัติดังกล่าวและแล้วก็จะเริ่มสแสวงหาและไขว้คว้าความเชื่อและวิธีปฏิบัติอื่นๆต่อไปซึ่งจะเป็นแบบไหนก็สุดแล้วแต่ว่าบุคคลผู้นั้นมีความประณีตของจิต และนิสัยใจคอเป็นแบบใดในขณะนั้นๆความจริงดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกมานานหลายยุคหลายสมัยแล้วและในยุคปัจจุบันนี้ก็อาจกล่าวได้ ว, ว่าโลกเรากาลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งวิวัฒนาการทางศาสนาที่สำคัญยุคหนึ่งทีเดียววิธีทางแห่งวิวัฒนาการทางศาสนาในอดีตของเราทั้งหลายนี้ถ้ามองย้อนหลังไปก็จะเห็นว่ามีรูปเคารพมากมายเกลื่อนกลนมาก รูปเคารพเหล่านี้มีทั้งที่เป็นวัตถุและที่เป็นความคิดคำนึงอยู่ในดวงจิตซึ่งเป็นที่เคารพของผู้คนนับจานวนล้านๆมาแล้วเมื่อความรู้ความเห็นของคนในยุคนั้นๆได้ก้าวหน้าขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปรูปเคารพเหล่านี้ก็ถูกทอดทิ้งเกลื่อนกลลนอยู่ตามวิถีแห่งความเชื่อในอดีตของมนุษย์และก็ได้ถูกทอดทิ้งให้ผุพังไปตามกาลเวลายกเว้นในบางกรณีก็ยังคงมีตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามรูปเคารพต่างๆเหล่านั้นก็ย่อมมีค่าสมควรแก่ความเชื่อของมนุษย์ในยุคนั้นๆหรือที่มีการพัฒนาของจิตมาถึงระดับนั้นอยู่เหมือนกันทั้งนี้เพราะในการพัฒนาของจิตกว่าจะขึ้นมาถึงระดับสูงสุดก็ต้องผ่านขั้นต่างๆที่กล่าวมาแล้วโดวยลําดับการจึงเป็นการยากที่จิตจะก้าวข้ามขั้นต่ําหรือขั้นกลางในระหว่างมาสู่ขั้นสูงสุดได้โดยฉับพลัน เมื่อกล่าวถึงความเจริญของวิญญาณที่ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นในโลกมนุษย์ดังกล่าวมาแล้วจึงทําให้มองเห็นได้ว่าแม้ในโลกทิพย์ก็ย่อมจะต้องมีปรากฏการณแห่งความเจริญหรือวิวัฒนาการไปตามลำดับขั้นเช่นนี้เหมือนกันดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่ในโลกทิพย์อันเป็นภูมิที่แสดงออกของความคิดอย่างชัดเจนที่สุดก็จะต้องมีภูมิอันสอดคล้องกับความเชื่อถือและแนวการปฏิบัติของศาสนิกชนในกลุ่มนั้นๆในระดับนั้นๆ ในศาสนานั้นๆผู้ที่มีความเชื่อในคำสอนและการปฏิบัติของศาสนาของตนด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างยิ่งในลักษณะใดในขั้นใดในแบบใดเขาก็จะเข้าถึงภูมิอันเป็นที่สนองความต้องการในความเชื่อและการปฏิบัติศาสนาของเขาในลักษณะนั้นในขั้นนั้นและในแบบนั้นวิญญาณที่มีระดับความเชื่อและความยึดมั่นทางศาสนาในระดับต่า ยอมจะไม่มีความสุขสมหวังแต่ประการใดในเมื่อสมมุติว่าจะต้องเข้าถึงภูมิหรือสวรรค์ที่มีความประนีตและสูงเกินกว่าระดับที่เขาจะพึงเข้าใจได้ตรงกันข้ามเขาคงจะต้องรู้สึกว่าเป็นความทุกข์อย่างยิ่งซส้ยด้วยซ้ำและเขาก็คงจะต้องดิ้นรนตะเกียกตะกายเพื่อจะเข้าถึงสวรรค์นในแบบที่เขาต้องการและใฝ่ฝันอยู่ตลอดเวลาอย่างแน่นอน และโดยนัยะอันกลับกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ย่อมเป็นความจริงในโลกทิพชันใดก็ย่อมเป็นความจริงในโลกมนุษย์นี้เช่นเดียวกันเพราะมนุษย์ที่ต้องถูกบังคับให้อยู่ในสภาวะที่สูงกว่าระดับแห่งความเจริญของจิตใจของตนก็ย่อมไม่รู้สึกเป็นสุขเช่นเดียวกันแม้ว่าสภาวะเช่นนั้นจะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขอันประนีตเพียงไรก็ตามมีความเชื่อถือกันอยู่ในหมู่คนบางกลุ่มว่า บุคคลที่ถึงแก่ความตายจากโลกนี้และได้เข้าสู่โลกทิพย์แล้วย่อมเกิดปัญญาเห็นความจริงทั้งหลายได้โดยอัตโนมัตินี่เป็นความเชื่อเหมือนกับเด็กๆโดยแท้และดังนั้นจึงไม่มีมูลฐานเห็นความจริงแต่ประการใดเลยวิญญาณของคนก่อนตายและหลังจากตายแล้วนั้นถ้าจะมีความแตกต่างกันคือในระดับความรู้ความเข้าใจหรือความพระณิจของจิต ถ้าจะมีความแตกต่างกันแล้วก็กล่าวได้ ว, ว่ามีน้อยละเกินความเจริญก้าวหน้าของวิญญาณเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งในโลกมนุษย์และโลกทิพย์เพราะสภาวะแห่งความเป็นอยู่หรือแห่งชีวิตจะเป็นในกายเนื้อหรือนอกกายเนื้อก็ตามก็เป็นสภาวะของชีวิตซึ่งดำเนินไปโดยไม่รู้จักหยุดนั่นเองการเปลี่ยนสภาวะข้างนอก ซึงไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงแก่นสารของวิญ ญ, ญาณเท่าใดนักสภาวะดังกล่าวคือชีวิตในโลกมนุษย์และโลกทิพนี้ย่อมหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปโดยไม่หยุดหย่อนเช่นเดียวกับกลางวันและกลางคืนฤดูหนาวแล้วฤดูร้อนที่หมุนเวียนพลัดเปลี่ยนเกิดขึ้นตามกันมาไม่มีวันหยุดย่อนฉะนั้นดังนั้นวิญญาณที่เคยมีนิสัยใจคอและไม่ชอบอะไรมีนิสัยเป็นแบบไหนมา ในเมื่อยังครองกายเนื้ออยู่ในโลกมนุษย์ก็ย่อมมีนิสัยและความชอบไม่ชอบเช่นนั้นอยู่เหมือนเดิมในส่วนใหญ่ทุกประการแม้เมื่อมาครองกายทิพย์อยู่ในโลกทิพย์แล้วผู้ไม่เชื่ออะไรก็ไม่เห็นสิ่งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น สภาวะความเป็นอยู่ในโลกทิพย์ซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นการแสดงออกของความคิดในโลกมนุษย์จึงเป็นไปตามแนวความคิดและอุดมคติทางศาสนาของมนุษย์แต่ละคนนั่นเองเขามีความเชื่อในสวรรค์และนรกอย่างใดเขาก็จะพบสภาวะแห่งสวรรค์และนรกตามในยะที่เขาคิดฝันไว้อย่างนั้นนอกจากนั้นเขาก็จะได้พบปะสมาคมกับวิญญาณอื่นที่มีทัศนะในทางศาสนาอย่างเดียวกัน ตลอดจนถึงนักบุญและศาสดาแห่งศาสนาตามความคิดฝันของเขาอีกด้วยแต่สภาพแวดล้อมเหล่านี้จะเป็นทานองเดียวกันกับภาพมายาหรือภาพที่เราเห็นในพยับแดดฉะนั้นคือเป็นผลที่เกิดจากความคิดและไม่มีส่วนที่เป็นแก่นสารแท้จริงในธรรมชาติฝ่ายโลกุตระเลยกระแสะความคิดของบุคคลกลุ่มใหญ่ในทางศาสนาแต่ละกลุ่มเมื่อพุ่งไปในทางใด ก็ยอมมีอำนาจสร้างสารรค์สิ่งที่อยู่ในความนึกคิดนั้นให้ปรากฏเป็นของจริงขึ้นมาได้ในโลกทิพย์และสภาวะแวดล้อมเกิดจากความคิดคำหนึ่งกลุ่มเช่นนี้จะต้องดูมรงคงอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่ยังมีผู้นับถือและปฏิบัติตามแนวความคิดทางศาสนาเช่นนั้นๆอยู่และนอกจากเหตุผลที่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากความคิดคำนึงของกลุ่มดังกล่าวแล้ว จะมีหลักความจริงที่น่าสนใจอยู่อีกประการหนึ่งคือผู้ที่อยู่นอกกลุ่มนั้นๆคือผู้ที่ไม่มีความเชื่อเช่นนั้นก็จะมองไม่เห็นสภาวะเช่นนั้นเลยและเขาก็อาจจะกล่าวได้อย่างถูกต้องและด้วยความจริงใจว่าสภาวะเช่นนั้นไม่มีอยู่ในโลกทิพเท่าที่เขารู้จักเลยการที่ศา ส, สาหรือผู้ตั้งศาสนานั้นๆยังคงปรากฏอยู่ในภูมิเช่นนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะยังคงอยู่หน้าที่นั้นเสมอไปเพราะโดยความจริงแล้วท่านได้เข้าถึงภูมิอื่นที่สูงกว่านั้นไปเส้งนมนานแล้วแต่เนื่องจากโลกทิพย์เป็นภูมิแห่งอุดมคติของแต่ละบุคคลวิญญาณของแต่ละคนจึงสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ตามอุดมคติของตนในภูมิอันเหมาะสมแก่ระดับสติปัญญาและความประณีตแห่งจิตของตนเสมอ โดยในยะนี้ชาวคริสต์ที่นับถือศาสนาของตนด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ยอมเข้าถึงสวรรค์อันมีลักษณะตรงตามที่ตนฝันหรือวาดภาพไว้ในใจและแล้วเขาก็เชื่อมันอย่างสนิทร้อยเปอร์เซว่าความคิดของเขาและศาสนาของเขาถูกต้องที่สุดไม่มีศาสนาไหนจะถูกต้องเช่นนี้อีกแล้วแต่ชาวฮินดูที่มีใจบริสุทธิ์ก็ดีชาวอิสลาม หรือผู้นับถือศาสนาของจื้อที่มีใจบริสุทธิ์ทั้งหลายก็จะมีประสบการณ์ในทํานองเดียวกันและเขาก็จะรู้สึกในทํานองเดียวกันคือคิดว่าลัทธิศา ส, สนาของเขาเป็นสิ่งถูกต้องเที่ยงตรงที่สุดไม่มีลัทธิอื่นๆจะถูกต้องเที่ยงตรงกว่านี้อีกแล้วนี่กล่าวโดวยส่วนใหญ่คือในส่วนที่เกี่ยวกับลัทธิศา ส, สนาต่างๆอย่างกว้างๆแม้แต่ในเรื่องที่ปลีกย่อยลงไป เช่นผู้นับถือนิกายย่อยๆของศาสนาหนึ่งๆก็จะต้องมีประสบการณ์เช่นเดียวกันนี้อีกคือจะพบว่าคำสอนของนิกายย่อยของตนนั้นถูกต้องแน่นอนส่วนคำสอนของนิกายอื่นๆในศาสนาเดียวกันนั้นต้องผิดยังไม่มีปัญหาเพราะสิ่งที่เขาได้ประสบพบเห็นก็ล้วนแต่เป็นเครื่องยืนยันความเชื่อของเขาทั้งสิน้นแต่อย่างไรก็ตาม ศา ส, สนิกช o ที่มีความเชื่อและอุปาทานต่างๆกันนี้จะไม่มีการทะเลาะหรือเบียดเบียนกันทั้งนี้เพราะแต่ละกลุ่มก็จะพบเห็นและคบหาสมาคมกับคนอื่นๆในกลุ่มของตนที่มีความเชื่อและอุปาทานแบบเดียวกันข้อยุคเว้นจากความจริงที่กล่าวมานี้จะมีอยู่ก็โดยเงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้นคือบุคคลที่มีใจกว้างและเห็นความจริงได้อย่างลึกซึ้งเพียงพอ จนกระทั่งเห็นว่าในคำสอนของทุกศาสนาและทุกลาธิย่อมมีความจริงบางประการแฝงอยู่ในบางแห่งเสมอเขาเหล่านั้นจะไม่หลงยึดติดแต่ในคำสอนของศาสนาของตนเขาไม่ใช่บุคคลประเภทที่บูชาแต่คำสอนของตนและตั้งข้อรังเกยียจคำสอนของศาสนาอื่นๆหมดโดยไม่คำนึงว่าคำสอนของศาสนาอื่นๆนั้นบางครั้งก็ย่อมจะมีหลักการที่ถูกต้องเที่ยงตรงอยู่บ้างไม่มากก็น้อย บุคคลที่มีใจกว้างขวางเช่นนี้จะยอมรับความดีอันมีอยู่ในศาสนาอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นนี้ก็ย่อมจะเข้าถึงภูมิแห่งโลกทิพย์ซึ่งเป็นการแสดงออกแห่งความคิดของเขาเหมือนกันนั่นคือเขาจะเข้าถึงภูมิอันเป็นที่ที่เขาจะมีโอกาสเห็นความจริงได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งและโดยในยะนี้เขาก็สามารถเห็นภูมิแห่งสวรรค์และนรกของทุกๆศาสนาได้ แล้วก็จะเห็นความจริงว่าศาสนาทุกศาสนาก็ยอมมีความจริงอยู่ด้วยกันทั้งสิน้นมากบ้างน้อยบ้างตามสมควรไม่ใช่ว่าศาสนานั้นหรือศาสนานี้จะผูกขาดความดีวิเศษเอาไว้แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ยอมให้ศาสนาอื่นมีความดีหรือความจริงได้บ้างเลยมีสิ่งที่ควรจะย้ำไว้อีกเล็กน้อยในที่นี้คือว่าบุคคลใดมีความคิดคำนึงอย่างสูงสุด เกี่ยวกับสวรรค์ของเขาได้เพียงใดบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ทำความดีไว้พอสมควรแล้วหลังจะตายก็จะเข้าถึงภูมิแห่งสวรรค์ชนิดที่ตนไฝ่ฝันหรือวาดมโนภาพเอาไว้นั่นเองจะไม่สูงกว่านั้นไปได้ยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่จิตยังเป็นกามาวจรคือคลองอยู่ในกามาคุณยอมเข้าถึงสวรรค์ได้ก็ไม่สูงกว่าแดนนั้นเป็นกามาวจรจะให้สูงกว่าภูมิของผู้เสพกาม คือเข้าถึงภูมิของผู้ได้ฌานสมาบัตินั้นยอมเป็นไปไม่ได้ดังนี้เป็นต้นคำว่าผู้เสพการในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจนะครับแต่หมายถึงการยังติดข้องติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นที่น่าพอใจแต่ก็มีบ้างเหมือนกันในบางคราวที่วิญญาณในโลกทิพย์ เมื่อได้สนใจศึกษาหาความจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจก็สามารถเปลี่ยนความเชื่อในศาสนาของตนจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งได้และโดยในยานนี้เมื่อกลับมาเกิดใหม่ในโลกนี้ก็ได้พัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นกําไรแห่งชีวิตของตนเองที่ได้มีโอกาสยังภูมิปัญญาของตนให้เจริญขึ้นโดยลําดับในอันที่จริงก็เป็นเช่นนั้น การวิวัฒนาการของวิญญาณย่อมหมายความว่าวิญญาณจะต้องเจริญขึ้นโดยลำดับแม้ว่าในกรณีต่างๆกันจะใช้เวลาไม่เท่ากันก็ตาม